ขอโ อ, อกาสอาจารย์เมื่อบานใท่มาสั่งบ้างเมบานด้วยเสั่งัาที่สองควรจะรู้เรื่องแล้วนะ <S <S 2> <S 2> สั่งหลวงพ่อั้งแรกแล้วงงทุกรายบางคนสารภาพเลยราฟังแล้วขับรถออกจากวัดหลวงพ่อไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปทางไหน ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของยากมันยากเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังหรือเฉพาะธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ชินเอาเองเป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเอาแล้วเห็นผลด้วยตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะอยู่ในเรื่อง2เรื่องเท่านั้นเองคือเรื่องถูก วิธีปฏิบัติเพื่อความทนทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์เรื่องทุกข์กับวิธีทนทุกข์วิธีดับทุกข์ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี้งั้นถ้าเราต้องการหาคําตอบให้ชีวิตในเรื่องอื่ น, นๆก็อยู่นอกขอบเขตที่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราชิดเข้าได้นะว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ย เราต้อเชิญความทุกข์นานาชนิดทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บปวามตายทุกข์เพราะทรัพยรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักทุกข์เพราะเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ไม่รักทุกข์เพราะไม่สมอยากไม่สมปรารถนาถ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้ เ, เต็มไปด้วยความทุกข์ทำยังไงเราจะออกจากกองทุกข์นี้ให้ได้เนี่ยคือคำตอบที่พระพุทธเจ้าจะให้เราทัานชีขาดเลยว่า ชีวิตนี้มันทุกข์นะแล้ไม่ได้บอกแค่ว่ามันทุกข์เฉยๆถ้าท่านบอกแค่ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ก็เร า, า จ, จะบอกว่าท่านเป็นพวกมองโลกแค่ร้ายีรถ้ท่านบอกวิธีการที่จะออกจากกองทุกข์ให้ได้ด้วยถ้าเราปฏิบัติตามวิธีที่ท่านสอนแนละใจเราพ้นจับ ก, กองทุกข์ได้จริงๆเรารู้ด้วยตัวของเราเองต่อไปนี้ความทุกข์ไม่มีแทรกเข้ามาในใจอีกต่อไปแล้วสภาวะของจิตใจ ไปเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจิตใจของพวกเราเนี่ยกระทุ้บอารมณ์ทั้งวันยิวอารมณ์เดี๋ยวก็ยึดอนนตเดี๋ยวก็ยึดนี้นะกระทุ้บใส่อารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสทางกายยึดเรื่องราวที่คิดนึกทางใจสารพัดเจริกระดุจไปกระทุ้บทางตาหูจมูกลิ้นใจใจเรายวยึดรูปยึดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ ยึดในความจำได้หมายรู้ยึดในความปรุงดีปรุงชั่วยึดในจิตใจของเราเองที่เป็นตัวความรับรู้ยึดไปหมดทักอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ขยายการยึดถือออกไปสู่ผู้อื่นสิ่งอื่นอันนี้คนนี้ของเราทรัพย์สมบัตินี้ของเรานชื่อของเราขยายออกไปเรื่อยๆยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากพคุณได้เจ้าท่านถึงสอนบอกว่ามีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละ อั น, นี้หมายถึงมีทางโลกนะถ้ามีทางธรรมเนี่ยไม่ทุกข์สิ่งที่โลกเ้าสแสวงหาเขาแย่งชิงกันเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างแย่งอํานาจ ก, กันคนมีอานาจ ก, ก็มีความทุกข์นะกลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่แย่งอาํานาจในพระคมภีร์ของเราก็มีพูดถึงพระอารหันต์บางองค์ท่านเคยเป็นกษัตริย์พอออกมาบวชบรรลุพระอรหันต์มาเนี่ยท่านเดินไปเนี่ยท่านก็อุทาน เรื่อยว่าสุขแท้เนอสุขแท้เนอะพวกพระก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้คิดถึงความสุขสมัยเป็นพระราชาโพระยาศึกพระพุทธเจ้าเรียกไปถามท่าบอกไม่ใช่จิตของท่านเนี่ยตอนเป็นพระราชานะท่านไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยจะจิตข้าวพวกลัวถูกวางยาพิษนคนมาหาเนี่ยมาพูดดีด้วยก็ไม่รู้เ้าดีจริงหรือเปล่าหรือเขาจะหักหลังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ กินก็ไม่มีความสุขจะนอนก็ไม่มีความสุขจะคุยกับใครก็ไม่มีความสุขต้องระวังตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านออกมาบวชนะนนอนอยู่โคนต้นไม้นุ่งหอมผ้าวางสุกลจีวรผ้าที่เขาใช้ปุ่มสมดึงเอามาซักมาย้อมใหม่สบายท่านบอกวนะท่านมีความสุขใจท่านโปร่งโล่งเบาท่านรู้เลยว่ามีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละพอปล่อยออกไปแล้วไม่ทุกข์ นี่พวกเรายึดเยอะยึดตั้งแต่ตัวของเราเองรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เป็นตัวเราแล้วก็ยึดรูปธรรมนามธรรมาของคนอื่นมาเป็นของเราอีกมันยึดมากว่าทุกมากนี่ท่านจะสอนให้เราพ้นจักความทุกข์มีทีที่จะพ้นจักความทุกข์มาเรียนรู้ให้เห็นความจริงเลยสิ่งท่าไหลท่างปวงเนี้ยถ้าเราเข้าไปอยากเข้าไปยึดเมื่อไหร่นะความทุกข์มันจะตามเข้ามาที่ใจเราทีเลย ท่านบอกว่ามีนาก็ทุกข์เพราะนามีวัวก็ทุกข์เพราะวัวอย่างของเรามีบ้านทุกข์เพราะบ้านไหมอย่างบางคนนะเชาบ้านเชาบ้านอยู่ไม่สบายใจไปซื้อบ้านแต่ว่าซื้อบ้านแล้วสบายใจซื้อบ้านมีภาระเยอะมีภาระเยอะไปเช้าบ้านเขามันทังเราก็ย้ายบ้านี่ถ้าไปซื้อบ้านบ้านเราเป็นไหนไม่ได้ก็คล้าย มีนาก็ทุกพระนานะมีบัวก็ทุกเข้าบัวมีรถก็ทุกพรงรถนะทุกไหมทุกนะทุกจริงเลยบ้านนี้เมืองเนี้หาที่จอบรถยาก <c oughs> ไม่เราเนีอะไรที่เรารักที่สุดเคยได้ยินไหมท่านสอนบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกตอนหลวงพ่อเป็นใบทุนนะหลวงพ่อเขานับถือพระพุทธเจ้านะแต่ไม่เชื่อเลยที่ใดมีรักที่นั่นต้องมีสุขสิใช่ไหม ที่ใดอกหักที่นั่นถึงจะทุกข์พมพอนานานะถึงรู้เลยคําว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักตัวนี้คือตัวโลภะตัวโลกตัวอยากเวลาใจเรามีความโลภมีความอยากมีความผิวขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีอยากดูหนังก็ทุกข์นะอยากฟังเทศอย่างทุกข์เลยอยากอะไรก็ทุกข์ทุกทีเลยนี่ตัวเหตุของความทุกข์ เนี่ยทำไงเราจะพ้นจากตัวทุกข์ได้ต้องทํำลายตัวอยากให้ได้ตัวอยากมันมาจากอะไรมจาจะความไม่รู้รากเง้าของปัญหาปัญหาคือตัวอยากเนี่ยเป็นตัวสมุทยัยเป็นผลทําให้ใจเราเป็นทุกข์รากเหง้าของความอยากเนี่ยชื่อว่าอาวิชชาเคยได้ยินไหมอวิชชาบางคนสวดได้นะอวิชชาปัจจญาสังขาราได้ไหมสวดได้คนเรียนปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินไหม กิจจสมุปบาทได้ยินแต่ไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องหรอกนะมันเกินภูมิรากเน่าของความทุกข์นะคือความไม่รู้เราไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้ว่าเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าตายนี้เป็นของดีของวิเศษจิตนี้เป็นของดีของวิเศษรูปธรรมนามธรรมที่เป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษมันจะเห็นอย่างนี้ จะรักจะพวงแหนมากเลยรักมากประทุกมากจะมาภาวนาให้เห็นความจริงกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ภาวนาเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่แตล้งเห็นด้ไม่ใช่สะกดจิตให้เห็นด้วยจเข้าไปดูของจริงเอกายนี้ทุกข์จริงๆนะใจนี้ทุกข์จริงๆนะเนี่ยการภาวนาให้รู้ทุกข์ให้มากเลยเคยได้ยินอริยสัจ4ี่ไมคำว่าอริยสัจ4ี่ ทุกเนสบู่ไทยนิรอดมัดใครสารภาพดิใครไม่เคยรู้จักเลยคําว่าอริยสัจสีหรือทุกสบู่ไทยนิรอดมัดไม่เคยเลยมีไหมเคี้ยมือซิมีไห ม, ม, ม, ไหมแน่ใจนะว่ารู้จักเดี๋ยวหลวงพ่จะถามนะ <c oughs> พวกเรารู้เราไม่รู้จักหรอกเราแค่รู้จำอย่ายว่าก็จําได้เราเห็นไหมกายนี้ใจที่เรีนทุกเราไม่เห็นหรอก เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกบ้างสุกบ้างจิตใจนี้ทุกบ้างสุกบ้างนี่ยังไม่เรียกว่ารู้ทุกนะยังรู้ไม่ถูกอยู่ยังเห็นว่ามันสุขบ้างทุกบ้างอยู่เใจมันก็ยังมีทางเลือกมันจะเลือกเอาความสุขมันจะเลือกปฏิเสธความทุกข์แต่ถ้าวันใดที่เราภาวนาเห็นความจริงใจนี้ทุกล้อนๆ้อนไม่มีทางเลือกนะใจมันจะทิ้งจะปล่อยวางความยึดถือในร่างกายถ้าไม่เห็นจิตเป็นตัวทุกร้อนร้อนเมื่อไหร่จะปล่อยวางความยึดถือจิตมืนั้น ก็ไม่จึดถือเพราะมันเป็นตัวทุกข์เนื้อฉะไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นธรรมหรอกรู้ทุกข์นั่นแหละถึงจะรู้ธรรมหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นี่พระพุทธเจ้าสอนตรงๆเลยพวกเราชอบรู้ทุกข์ไหมไม่ชอบเราเราชอบละทุกข์ใช่ไหมเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราอยากให้หายไหมท่านสอนให้รู้ทุกข์ก็เราจะละทุกข์เนี่ยแล้วจะมาบอกว่าเรารู้อริยสัจได้ยังไงเราไม่ได้ทําอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนสักอย่างเลย ท่านสอนให้รู้ทุกเราพยายามละทุกท่านสอนให้ละสมุทยัยละตัณหาเพราะเราอยากใช่ไหมอยากละทุกนี่น่ะไปนู่นสิท่านสอนให้แจ้งนิโรธนิโรธเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาใจเรามีแต่ความอยากเช่นอยากเห็นพระนิพพานเวลาทําบุญก็อธิษฐานใช่ไหมนิพพานพยาปจโยโหตุอยากได้พระนิพพานนิพพานเป็นไหงก็ไม่รู้หรอกมัด ท่บอกให้ทําให้มากทำให้เจริญทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธให้ทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญการจะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยทำได้ด้วยกันรู้ทุกข์นะถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เนี่ยจะละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าละสมุทัยเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นเห็นพระนิพพานเมื่อไหร่อริยมรรคเกิดเมื่อนั้นพวกเราไม่เห็นพระนิพพานหรอก มาาเมื่อกี้หลวงพ่อพาวคุณชายพ่อดูนั่งสมาธิเราลองดูสินั่งสมาธิถ้าจิตไม่จับรูปประทับจิตก็จับนมามธรรมถ้าไม่จับรูปประทับนมามธรรมจิตก็ไหลไปอยู่กับความคิดมีเท่านี้เองไม่สามารถพ้นไปจากรูปประทับนมามธรรมได้จิตมันไม่ปล่อยในบังคับให้จิตปล่อยจริงก็ไม่ปล่อยจิตเป็นอนัตตาสั่งให้ปล่อยไม่ได้ แต่ถ้าพามันดูทุกข์ไปด้วยเห็นใจนี่เป็นทุกข์เห็นใจนี่เป็นทุกข์เห็นจริงๆมันจะปล่อยของมันเองปฏิจจสุบาทจะขาดตรงนั้นเลยถ้าเราไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่ขาดหรอกยากนะยากไห้ยากหนะ้าถ้าจะเอาถึงขั้นนิพพานะบางคนอยากห้พพานกะ็เอาชีวิตชั่วแรกเลยยากแต่ถ้าเอาสุบาติสักระคาไม่ยากหรอก ฆราวาสก็ทำได้ถมไปสมัยพุทธกาลฆราวาสพวกก็ทําได้ฆราวาสสมัยนนก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเราก็พอๆ ก, ก, กับพวกเราเนี้เก่งพอๆ ก, กันหรือแย่ยพอๆ ก, กันมีกิเลสเหมือนเหมือนกันย้าว่าทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันถ้ามาขั้นต้นๆนนะโสดาสะัทธาคาอะไรเนะี่ยพระกับฆราวาสไม่มีความต่างทําได้เหมือนกันไม่ช้ากว่ากัน แต่ขั้นที่ประนีขึ้นไปขัข้นอนาคาขั้นไหนนี่ฆราวาททำยากนะฆราวาหมกอยู่ในกาม <pt. S 1> อยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนสู้ค้าไม่ได้อยากได้นี่ก็ได้ออย่างอยากได้ของร้อนได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนบ <pt. S 1> างวัน <aha> อาหารไม่ถูกปากพวกเราเคยไมมอาหารไม่ถูกปากไม่ใช่หรอกอาหารไม่ถูกใจที่พวกเราเป็นอาหารไม่ถูกปากไม่มีจะกินนะ เดินบาินา้าบานทานไม่มีใครใส่บาตรเลยนนวันนี้อาหารไม่ถูกปากต้องฉันอาหารว่างงั้นซาเนี่ยจะเห็นทุกข์เห็นโทษของกรรมได้ง่ายากรรมคืออะไรรูปเซนเรียนรูสัมผัสเนี่ยพราเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกรรมพราะเราเคยได้ยินคำว่ากรรมมาคุณไหมกรรมเนี่ยเป็นคุณเหนือพวกเรารู้สึกนําความสุขมาให้ แต่สำหรับพระเนี่ยไม่ใช่กรมมาคุนนะเป็นการมโทษมีการมขึ้นมาทีไรก็มีทุกทุกทีเลยเราะนั้นจะเห็นทุกได้ง่ายกว่าจิตจะพ้นง่ายกว่าหรือขั้นพระรหัสนะคารวะทํายากมากในสมัยพุทธกาลคารวะที่บรรลุพระรหรัสมีไม่มากเท่าไหร่มีไม่กี่องค์ส่วนมากบรรลุแล้วถ้าไม่บวชจะตายเลยทำไมต้องตายเลยเพระเจ้าป้จะตายอยู่แล้วอนะถึงยอมปล่อยนะ ยังแข็งแรงอยู่ไม่ยอมปล่อยง่า ย, ยงั้นจำไว้นะพวกเราถ้าเราจะเป็นชาวพุทธจริงๆเราต้องรู้ทุกเรารู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยคือรูปนามใจใจของเรานี่แหละถ้าทำวัดเช้าสวดมนทํทำวัดเช้ายีงมีบทอยู่บอกว่าสังคิเตนะปันจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันห้านี่แหละตัวทุก อก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราคือตัวทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้รู้บ่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยดูกาทํางานดูใจทํางานดูบ่อยๆถ้าใจลอยไปก็ไม่เห็นต้องไม่ใจลอยรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อวานสอนแล้วนะจำได้ไหมทาไงจิใจใจะอยู่กับตัวเองตอบสิให้ชื่อใจหน่อยจําได้ไหม ทำไงจะมีศีลทำไงให้เกิดศีลก็จิตใจต้องอยู่กับตัวแหละนะไม้อมีสติแต่ว่ามีสติแล้วคอยรู้ทันกิเลสถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี้ยศีลมันจะมาเองควรทาผิดศีลได้เพราะกิเลสเป็นคร่องง้าจิตถ้าอยากได้สมาธิทําไงอาศัยสติรู้ทันนี้เอง จิตใจมันหนีไปเมื่อไหร่มันฟุ้งซ่านเมื่อไหร่รู้ทันมันมันสงบของมันเองมันได้สมาธิขึ้นมาเอจิตใจไม่หนีไปแล้วโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับไว้ใช้ไม่ได้นะมันตึงเครียดไปใจเคลื่อนไปอตอนเนี้ยเราเห็นคนเดินไปคนกลางทุกๆไปรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ที่เขาละ <c oughs> ใจมันจะหนีตลอดเวลาเวลาใจไปอยู่กับเขาละรู้สึกไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจ หลวงพ่อจบอกสักตรูเบอร์หนึ่งเลยของการรู้ทุกเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเพราะเราลืมตัวเองใจลอยเห็นคนอื่นแล้วก็ดูเขาเราลืมตัวเราเองได้ยินเขาคุยกันนะเราก็ตั้งใจไปฟังเขาคุยกันเราลืมตัวเราเองได้กลิ่นแล้วก็มัวแต่ดมกลิ่นเราลืมตัวเองได้รสเราก็มัวแต่หลงรสอยู่แล้วก็ลืมตัวเองมีอะไรมาสัมผัสร่างกายนะเรก็สนใจสิ่งที่มาสัมผัสลืมตัวเอง เวลาใจมันคิดรู้เรื่องราวที่คิดใจมันจะไปคิดแล้วมันจะรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างบางทีก็คิดแล้วรู้เรื่องใช่ไหมบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้แต่มันแนบไปคิดแต่ไม่ว่ามันจะคิดแบบไหนนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจเฉะนั้นพยายามฝึกให้มากเลยให้จิตใจอยู่บนเรื่อตัวให้มากนะจึงจะรู้ทุก็คือรู้กายรู้ใจได้คําว่าทุกเนี่ยหมายถึงรูปกรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี้นะ แต่ว่ารู้ทุก็คือรู้กายรู้ใจนี่เองเนี่ยรู้ให้มากอยใจลอยใจลอยก็อย่าให้นานใจลอยให้สั้นๆคนที่ภาวนาไม่เป็นใจลอยวันละครั้งนะคือตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยครั้งเดียวแต่คนภาวนาเป็นให้ใจไหลวื้รู้สึกวื้รู้สึกใครเเห็นบ้างใครรู้สึกไหมไหลแล้วเราหลักรู้สึกตอที่ไหลไปนี่มันหลงนะพอเรารู้ว่าหลงปุ๊บรู้สึกปั๊บรู้เอง รู้สึกขึ้นมาเองแล้วก็เดี๋ยวมันไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกมันจะได้เป็นสมาธิเป็นขณะขณะเรารู้ทันว่ามันไหลแล้วก็ได้สมาธิขึ้นขณะหนึ่งสมาธินี้เรียกว่าคณิกาสมาธิอย่าดูถูกสมาธิขณะจิตเดียวนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่มี2องขณะจิตเลยในช่วงวักเดียวเท่านั้นเองงั้นอย่าดูถูกปัจจุบันก็จะมีแค่ขณะจิตเดียวนี่เองสำหปัจจุบัน แวบเดียวมันก็เป็นอดีตไปแล้วแวบเดียวก็เป็นอดีตไปแล้วคิว ด, ดล้ลำไปก็เป็นอนาคตไปแล้วคำว่าปัจจุบันนี่สั้นนิดเดียวเลยเท่ขนาดจิต น, นี้เท่านั้นเองดงสำคัญที่สุดเลยเนี่ยขนาดนี้แหละขนาดนี้รู้สึกตัวขณะนี้รู้สึกตัวร้อนไหมร้อนไหมอากาศร้อนไหมเออร้อนแล้วใจเป็นไงใจสบายไม่สบายอยากให้เย็นไ ก็มันร้อนเนี่ยยังจะอยากให้เย็นถ้าอยากได้เบอรก์ก็ต้องไปซื้อเครื่องปรับอากาศใช่ไหมแล้วก็อยากเอาแล้วมันก็เย็นเคยได้ยินชื่อหลวงปู่บุญดาไหมหลวงปู่บุญดาถาว่าโถภาวนาเก่งนะท่านภาวนาแตกหักในสามพรรษาขนมภาว น, นาเก่งมากไหมมีโยมนี่แหละไปทํปาน้ําป่าณถวายท่านกาวว่าหลวงปู่เยอะๆแล้ว องให้ฉันวิตามินซีให้เยอะเลทำให้เปรี้ยวๆ เ, เอาไปให้ท่านฉันท่านก็ฉันท่านก็ไม่ว่าอะไรฉันโยมตอนทำเหลืออยู่หน่อยใส่ถ้วยให้ท่านแล้วเหลืออยู่หน่อยลองชิมโอเรี้ยวเปรี้ยวจังเลยอีกวันเอาใหม่ทำใหม่ให้มันหวานหวาน <c oughs> ท่านฉันแล้วท่านก็เฉยๆ ยอมเอาที่เหลือมาชิมอู้หหวานแสบไสดเลยไปถามท่านวันแรกเปรี้ยวไหมครเปรี้ยวพอดีเฮ้วันหึหวานไปไหมหวานพอดีหนาวก็พอดีนะร้อนก็พอดีได้ๆพอดีหมดเลยในใจที่มันไม่หิวน่นมันพอดีนะงั้นใครรู้สึกว่าร้อนเกินไปบ้างสารภาพดิยังเกิดอีกยังเกิดอีก ยังไม่พอดีใครดูนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สีในใจไม่ยากอะไรหรอกมี CD ให้ฟังนะฟังหลงพ่อครั้งหนึ่งสองครั้งจีตเข้าใจยากจริงจริงง่ายมากเลยพรพ อ, พอนาเป็นแล้วจะรู้สึกง่ายง่ายพอนาเป็นเนี้ยจิตมันตื่นขึ้นมามันเห็นธาตุเห็นการเห็นกายเห็นใจทํางานมันเห็นเองนะเห็นได้เองกายมันก็ทํางานของมันเองใจมันก็ทํางานของมันได้เอง เหตเองเราไม่ได้ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยถึงจุดนั้นนะจิตเขาทำของเขาเองเขาประารรู้มรคนของเขาเงังง่ายตอนนั้นตอนนี้ยังยากอยู่ยากตรงที่ว่าทาไงใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้ลองไปคิดได้ยังใครรู้สึกว่าใจฟุ้งซ่านว้างยกมือซีน่ไหล ูอุายปากแข็งเยอะมากเลยคงอยู่แทบทั้งห้องเนี่ยรู้สึกสบายใจไหมรู้สึกไหมเนี่ยดูไปนะเดี๋ยวความสบายใจก็จะแสดงไปรักแล้วรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆรู้สึกไหมมันเริ่มนิ่งนะวามสุขมันเริ่มหายแต่มันกลายเป็นอุเบกขาเฉยๆแล้ว ดูไปเรื่อย ร, รู้สึกว่าชักจะแน่นแทนที่จะสุกกลายเป็นทุกข์ไปแล้วทาไมม็นทุกข์ขึ้นมาเราเปเพี้ยอไวปล่อยให้มันทำงานนะเราดูไปสบายสบายไม่ยากหรอรามาฐานสมัยหลวงพ่อไปหาดต่หลวงดดนนะวปูดูลนะเมื่อปี2525ก็้าไปหาท่านวันที่6กกุ๊งา ก่อนหน้านั้นทำสมาธิอยู่22ิงปีเล่นแต่สมาธิทำสมาธิทำใจสมาาัถตกได้ของเล่นของจริงไม่ได้ลากิเล็ตไม่ได้สักตัวแต่ เ, เล่นโน่นเล่นนี้ได้ไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเริ่มต้นจริงๆท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเนี่ยท่านถามนนะเรากําลังเริ่มเข้าใจครับเข้าใจครับเออเข้าใจแล้วไปทาําออกก็กลับลาท่านออกมานะขึ้นรถไฟที่มาแวะที่โคราชจากสุรินมาแวะโคราชมาหาหลวงพ่อพุธพอรถไฟแล้วเคลื่อนนะตกใจดึ้นเลยที่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราจะดูได้ยังไง จิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยพอไม่รู้อะไรสักอย่างทําไงตกใจแล้วหนูพ่อก็หายใจข้าฟูดหายใจออกทูเลยไปทําสมถะทําอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนจำไว้นะนี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าดูจิตได้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้มั่วไปหมดแล้วทาความสงบไว้ก่อน หา ใ, ใจไปด้วย ใ, ใจก็สบับ ใ, ใจสบายขึ้นมาเสร็จแล้วเร า, างพ่อเข้ามาดูหลวงปู่สั่งให้ดูจิตจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกไม่ไปอยู่ตามต้นไม้ไม่ไปอยู่ในท้องนาจิตต้องอยู่แต่ตัวเราจิตต้องอยู่ในกายนี้แหละแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้งั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะค่อยทํากรรมฐานจะค่อยเรียนรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปจะค่อยวนเวียนเรียนรู้อยู่ในกายนี้ นี่ก็เป็นกฎของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะกฎข้อแรกเลยทําะไรไม่ถูกทาความสงบไว้ก่อนใจมีเรี่ยวมีแรง ม, มีสติมีปัญญาขึา้นนะกฎข้อที่2ก็คืออยากภาวนาอย่าให้เกินกายออกไปนะไม่ต้องไปดูคนอื่นนะว่าคนอื่นเนี่ยเข้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องดนะูอย่างบางคนเดินจงกรมแม้พื้นเย็นก็รู้พื้นร้อนก็รู้รู้มันทําไมไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราหรอก ดูที่กายดูที่ใจเนี่ยอย่าให้เกินตัวนี้ไปองค์ o ณะ n ี่โก่น้อเพ้ามาหากายหาใจนี่เป็นกฎของการปฏิบัตินะพยายามจำหลักๆเอาไว้ให้ดีนี่หวงพ่อก็มาดูต่อไปนี้จะไม่ให้เกินกายออกไปแล้วก็มาสังเกตเอุ่นจิตอยู่ที่ไหนวะจิตอยู่ในกายจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่าสมัยนั้นอย่างผมยาวเหมือนพวกเราเนี่ยมือจับหูุมก็เห็นมีจิตในผมเลย อยู่ที่ขนหรือเปล่าน่ไมจับขนตาดูขนคิ้วดูไม่เห็นมีจิตเลยไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงนะหาจิตไม่เจอรู้แต่ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้จิตไม่มีที่ตั้งหรอกในกายเนี่ยมันอยู่ในกายจริงนะแต่มันไม่ได้อยู่ส่วนไหนของกายถค่อยๆสังเกตไปว่ากายไม่ใช่จิตกายไม่ใช่จิตนะดูไปแล้วร่างกายเหมือนกับจิตเนะี่ยโคโรนกันแน่เลย กายกับจิตเนื้อตนแยกออกเลยก็แยกออกแล้วมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจิตคือความสุขความทุกข์ก็ทําพลอยาหายใจไปนะจิตมีความสุขจะเห็นไหมจิตมีความสุขมีสติรู้ลงไปที่ความสุขความสุขก็ดับไปเหนที่พวกเราเห็นเมื่อกี้นี้ที่มีความสุขดูลงไปแล้วความสุขก็ดับไปไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยเพราความสุขนี้ไม่ใช่จิตหรือว่าจิตคือความทุกข์ ถ้นั่งนิ่งเลยไม่กระดุกระดิกนะให้มันปวดให้มันปวดเต็มที่เลยดูไปด้ยในความปวดมีจิตไหมไม่มีจิตจิตมันเป็นแค่คนดูมันไปรู้ว่าปวดอะไรเราคิดแค่หรือจิตเป็นความคิดจ่เที่ยวหาจิตอยู่หาอยู่ในกายเนี่ยในกายเรามีอะไรบ้างมีร่างกายร่างกายไม่ใช่จิตมีความรู้สึกสุดทุกข์ไม่ใช่จิตเลยคิดวค่หรือจิตเป็นความคิดถ้า จงใจคิดคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสูตสุดโธกรุณามหันตนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันตบพอตั้งใจคิดเห็นความคิดมันไหลขึ้นมานะมันฟุดขึ้นมาจากความว่างแล้วสลายตัวไปในความว่างถ้านั้นเองจิตก็ตื่นผางขึ้นมาเลยถ้าอะไรรู้ทันว่าจิตจิตถ้าเมื่อไหร่พวกเราจำกฎข้อนี้ไว้นะถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดและจิตรู้กับจิตคิดจะกลับข้างกัน พอจิตรู้เกิดแล้วคราวนี้มันจะเห็นเลยกายก็อยู่ส่วนกายไม่ใช่จิตเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาไม่ใช่จิตความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนความปลุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะอยู่ต่หากไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่พอจับได้จิตเป็นผู้รู้ ผ, ผ, รผู้ดูนะโอ้ยตอนที่เรานั่งสมาธิมาแต่เด็กนั้นเข้ามาก็ามาถึงตัวผู้รู้นี่เองแต่เราไม่รู้วิธีที่จะไปต่อ พอมาหาดได้ตัวรู้ขึ้นมารู้ทันว่าจิตคิดฉะได้ตัวรู้ขึ้นมาโตที่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราอยากภาวนาจริงๆเรารู้ทันว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแลจิตรู้เกิดแล้วเราก็เอาจิตรู้นี้แหละมาเจริญปัญญามาดูกายมาดูเวทนาคือความสุขทุกมาดูความปรุงดีปรุงชั่วมาดูจิตมันทํางานจะเห็นว่ามันทําได้เองไม่มีตัวเราสักอันเดียวเลย ในหลวงพอ่อนั่งรถไฟมานะวแวะโคราชหาหลวงพ่อพุทธหน่อยนั่งรถไฟต่อกลับมากรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยได้ตัวรู้ขึ้นมาผมว่าตัวรู้นี่ไหลสู่จิตก็ได้จงใจต่อไปนี้จะรักษาตัวนี้แต่ปรากฏว่ามันอยู่ได้แป บ, บเดียวนะมันไหลเข้าไปจับอารมณ์จับอารมณนะ์แล้วดูตั้งนานนะ่งดูทั้งอาทิตย์หนึ่งนะถึงจะลุดออกมาอีกพอหลุดออกมาก็ดีใจนะแป๊เดียวนะอยู่ได้ไม่กี่นาทีเข้าไปจับอีกดูอีก4ีหวันถึงจะหลุดอีก มันค่อยหลุดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะนี้สุดจิตตัวรู้เนี่ยมันเด่นดวงอยฝึกอยู่3มเดือนนะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งมากเลยเด่นเหนืออย่างนั้นทั้งวันเลยเฮี้คิดว่านี้แหละดูจิตก็คือเฝ้าไว้ตัวรู้เอาไว้รีบขึ้นรถไฟได้แหละไปหาหลวงปู่ดูอีกไปกราบท่านหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วรักษาไว้ทรงอย่างนี้เลยมันวิจิตวิสนาดานมากมายเท่าไหร่นะแก้ไขได้หมดเลยได้เด่นดวงขึ้นมา หลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตไม่ไปแทรกแซงจิตเลยการที่เราไปรักษาจิตรักษาความรู้สึกตัวคงที่อยู่นี่นนคือการแทรกแซงจิตเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยคิดไม่ปรุงแต่งทั้งวันเราไปทำํำซะจนมันไม่คิดนึกปรุงแต่งนี่ผิดนะหลวงปู่บอกว่าไปทําใหม่ไปหาตัวใหม่ไม่บอกเลยนะว่าให้ทํำยังไงนะหลวงปู่เดินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ถ้าพูดใสนะ่หน้าโหดก็โหดจริงๆเลยนะ ท่านสอนลูกศิษย์ให้ช่วยตัวเอ ง, องเข้าเท่มแข็งจริงๆบอกให้ไปดูจิตก็ไม่บอกวิจิให้พอเราไปดูมาผิดนะบอกว่าผิดให้ทําใหม่บอกอย่างนี้โอ้หลวงปู่บอกว่านี่แทรกแสงจิตแทรกแสงอาการของจิตต่อไป น, นี้ไม่แทรกแสงมันเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นจิตก็ เ, เปลี่ยนเช่นเห็นผู้หญิงสวยราคาก็เกิด เห็นหมาบ้าวิ่งมาใจก็กลัวความกลัวก็เกิดเแล้เห็นแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนะเดินชมดอกไม้ไปแม้มีความสุขชมมากไปหน่อยไม่ทันระวังเหยียบขี้หมาเขาละนะเออความสุขตกหายไปเลยกลายเป็นขยะขแขยงรู้จักไหมความรู้สึกขยะขแขยงเคยเป็นไหมเนีเขาเห็นเลยเนี่ยใจที่มีความสุขดับไปเกิดใจที่ขยะขแขยงเรียกภาวนานะตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยน จมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผ e um. ัสใจก็เปลี่ยนใจติดคิดใจก็เปลี่ยนนะคิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้มีความทุกข์เคยเป็นไหมคิดถึงคนนี้แล้วโอ้โทหโทส์ขึ้นเลยคิดถึงคนนี้ราคาขึ้นเลยคิดถึงตูบาจานบางทีก็โอ้อยากได้อย่างท่านบ้างบางทก็อิจฉาอิจฉานี่นะมีสารพัดใจมันเต้นไปได้เองอย่างจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนนะอย่างเราอยู่บ้านเรา่ ได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะไม่สบายใจใช่ไหมตัวอะไรแอบมาตายในบ้านเราถ้าลงไปอยู่วัดอยู่ตามป่าได้กลิ่นเน่าๆดิไม่คิดถึงตัวอะไรตายหรอกเป็นเจ็บตัวนะไม่ใช่กลุ้มใจว่าว่าอะไรมาตายในบ้านนะมันได้กลิ่นนะไม่ใช่กลัวแทนตัวผีไหม <c oughs> อย่ตัวอะไที่ไหนก็มีผี <c oughs> อเรันมันไม่ผีเยอะนะเยอะมากผีตายโงงเยอะจริง ช่วยเมืองไทยไม่ได้ตายโหไม่มากเท่านี้มีแต่ผีเป็นอาวิวาเยอะเห็นไหมใจฟุ้งซ่านเห็นไหมถูกหลอกหน่อยเดียวถีงเป <c oughs> ็นผีหลอกนิดเดียวนะหลงไปนะหลงไปเรื่องผีละเห็นเนี่ยใจมันไปตลอดใช่ไหมปูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนด้วยอกไหมทีแรกฟังธรรมะเนี่ยใจนิ่งเชนะ พอฟังเรื่องผีนู้นตืเต้นกระดีกระดา้าใจเปลี่ยนปูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนชมูได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนดินได้รสใจก็เปลี่ยนนะเนี่ยกินที่เข้าไปอันนี้อร่อยใจชอบกินไี่แม่อร่อยใจไม่ชอบของอร่อยจานใหญ่ๆกินไปเรื่อยๆไม่อร่อยแนละ้วรู้สึกไหมคำแรกๆอร่อยคําหลังๆเลี่ยนนะเอียนชักจะมากไปไม่อร่อยเนี่ยกระทั่งรสอันเดิมนะ คนละห่วงเวลากันคนละสถานการณ์คนละเงื่อนไขนะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเป็นสิ่งเดียวกันนะความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยอย่างเราเจอแฟนเราครั้งแรกสวยน่ารักใช่ไหมเห็นครั้งที่แปดหมืนสี่พันอยู่อยู่กันมาหลายปีเห็นแล้วน่ารำคาญความรู้สึกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไหมอย่างนี้ยจริงไหมโอ้โหจริงทั้งนั้นเลยจริงก็จริงไว้ในใจนะเดี๋ยวไปบอกเขา พูดจริงตลอดเวลาก็ไม่ฉลาดหรอกนะต้องพูดจริงนะพูดสุภาพอ่อนโยนพูดประกอบด้วยเมตตาเนี่ยพูดไพร้อพูดแบบมีประโยชน์นี่นี้ถึงเรียกว่าการพูดที่ดีสัมมาวาจาพูดจริงอย่างเดียวปิดการละเทศาไม่ใช่สัมมาวาจานะเ็ยเห็นไหมใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไห ม, ไมง่ายง่ายแค่นี้ไห พวกเด็ ก, ดกฟังซีดีหลวงพ่อนะมันฟังเนี่ยที่ในเมืองไทยเนี่ยคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยนับจํานวนไม่ถูกเลยแล้วฟังกันจริงจังมากนะเมื่อคนขึ้นรถปุ๊บก็เปิดซีดีเลยแต่ก่อนเปิดแต่เพลงเดี๋ยวนี้ไม่ฟังเพลงแล้วฟังซีดีหลวงพ่อพาลูกไปโรงเรียนเลยนะเปิดไปลูกก็ได้ยินธรรมะเรื่อยๆะลูกมันเข้าใจขึ้นมาส่พ่อแม่เนะี่ยตั้งใจฟังมันคื อ, อยังไงนะ มันยังไงนะดูจิตไม่ดูยังไงนะดูไม่เป็นหรือนั่นแหละส่วนในลูกนะไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนานะมันดูเป็นพอแม่โกรธขึ้นมาเขาขับรถปาดหน้าแม่โกรธนะแม่โมโหแล้วนะลูกบอกลูกก็บอกกับแม่ว่าแม่แม่โกรธแล้วเห็นไหมโกรธแล้วรู้ว่าโกรธไหมแล้วเหรนึ่ ม, มันง่ายขนาดนี้นะง่ายจริงจริงง่ายมากเลยแค่เรารู้ทันความรู้สึกของเราเอง ความรู้สึกนี้เปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไปเรื่อยถ้าดูความรู้สึกดูจิตดูใจได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ก็ทำความสงบไว้ใช้หลักนี้นะทุกวันฝึกไปเรื่อยหลวงพ่อนะแต่ก่อนเนี้ยไปหาหลวงปูดุลท่านสอนดูจิตเลยหลวงปูดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลก คือเวลาเราเข้าไปเรีย น, นกับระถานยกัท่านเนี่ยเราไปถามอะไรท่านนะท่านไม่พูดนะท่านหลับตายเงียบเลยเป็นชั่วโมงเลยลืมตาขึ้นมาสอนท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตไปเลยไม่ได้เคยสอนให้ดูกายเลยนี่ภาวนาจนท่านอยู่ได้เจดเดือนทาผิดไป3เดือนนะไปดูจิตที่เคลื่อนไหวเ ป, เ ป, เ ป, เปลี่ยนแปลงอยู่อีกสเดือน ไปหาท่านนะท่านบอกพอนาเป่งแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนแล้วช่วยตัวเองได้หลังจากนั้นเนี่ยออกไปตามวัดต่างๆไปฟังครูบาอาจารย์โอ้โน้น อ, องนี้ไปหาประสบการณ์ไปเรื่อยเข้าไปวัดไหนวัดไหนนะส่วนใหญ่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกให้พุทโธพิจารณากายให้พุทธโธให้จิตสงบนะแล้วใหม่พิจารณารักกายได้ฟังท่านแต่ละองค์แต่ละองค์ก็พูดแบบนี้หมดเลย แต่เวลาหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์ทุกๆองค์เลยนะท่านสอนให้ดูจิตไม่ได้มาสอนดูกายแต่เราก็เกิดสงสัยว่าต้องดูกายก่อนหรือเปล่าเลยคันหนึ่งไปถามหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปูครับผมไปไหนๆใครๆเราก็ดูกายนีผมดูจิตผิด ต, ตลาดอยู่คนเดียวนี่แหละไม่เหม็นใครผมต้องกลับไปดูกายไหมหลวงปู่หันมามองด้วยสายตาสลดสังเวชเนี่กจาสายตาท่านได้เลย แล้ท่านก็บอกว่าที่เขาดู ก, กายเนี่ย น, นะเพื่อให้มีพลังลเข้ามาเห็นจิตถ้าเข้ามาเห็นจิตเห็นใจได้แล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งว่าอย่างนี้นะของทิ้งพวกเรารู้สึกไหมเวลาเรารู้สึกตัวเรารู้สึกเลยกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วความเป็นตัวเรามันมาอยู่ที่จิตต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าดูเข้ามาถึงจิตได้ก็ดูจิตนะดูจิตไม่ไหวก็ดูกายไปดีกว่าไม่รู้อะไรเลย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุดโธไปหายใจไปใจมีความสุขมีความสบายขึ้นมามันจะกลับมาดูจิตดูใจได้เมื่อจิตมีความสุขขึ้นมาแล้วหือตะกี้จิตฟุ้งซ่านตอนนี้จิตสงบแล้ว ก, นะก็กลับมาดูจิตได้นะพยายามเข้าหนนะอดทนนิดนึงดูแล้วดูอีกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันจะแจ้งขึ้นมาจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีนะเวลามันจะแจ้งแจ้งจิตมีจะรวมเข้าสมาธินะเข้าเอง จิตจะรวมเข้าถึงจิตจริง ๆ, ๆเลยสติสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมลงที่จิต ด, ดวงเดียวในขณะเดียวกันหมดเลยประชุมลงไฟแล้ ว, ลวอริยมรรคจะเกิดขึ้นจะตัดสังโยชน์ขาดออกไปจะตัดอาสวักิเลส ท, ที่ห่อพุ่มจิตจิตพวกเรามีเปลือกุ้มนะคล้ายเม็ดถั่วเม็ดอะไรงั้นมันมีเปลือกุ้มอยู่เปลือกนี้เหนียวมากเลยนะไม่มีอะไรทำลายได้โยเป็นอริยมรรค เรีนจิตพวกเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาถ้าขาดจะไปครั้งที่1แป๊บเดียวหรือก็กลับมาปิดอีกเปือกมัน่ะเปิือกมันเหนียวมากเลยครั้งที่สองครั้งที่3ามเกลับมาปิดอีกครั้งที่4ี่ถึงจะขาดสะบั้นลงไปเราต้องตัดสครั้งอริยมรรคมี4ี่ขั้นตัดครั้งที่4ี่แล้วไม่มีอะไรห่อพุ่มจิตลยจิตจะขยายตัวไปไม่มีขอบเขต เคยเห็นลูกโป่งสวรรค์ไหมนึกออกไหมลูกโป่งที่มันลอยได้มันมีแก๊สอยู่ข้างในใช่ไหมแก๊สนั้นมีขอบเขตอยู่แต่พอลูกโป่งแตกเนี่ยแก๊สมันกระจายเต็มโลกเลยไม่มีขอบเขตเลยจิตที่มันไร้ขอบไร้เขตนี่ก็เหมือนกันภาวนาไปถึงวันหนึ่งจิตจะไม่มีขอบมีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นภาวะที่อัศจรรย์มากเลยมีโอกาส ก็ต้องภอวนาวนะเดี๋ยววันหนึ่งยะได้เห็นมีคนจำนวนมากเลยมาหาหลวงพ่อมาขอบคุณหลวงพ่ได้ถอวนาตามที่หลวงพ่อสอนได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นรักพระพุทธเจ้ามากเข้าใจพระธรรมเข้าใจพระสงฆ์เป็นไงพวกเราก็ไม่ได้โง่กว่าเขาหรอก อดทนนิดนึงคอยรู้คอยดูเป็นแม่ใจขนาดนี้นิ่งๆรู้สึกไหมใจขนาดนี้นิ่งๆยิ้มซิยิ้มหวานหวานเป็นแม่ใจเปลี่ยนเห็นไหมแล้วใช้ใจที่อย่างนี้นะใช้ใจอย่างนี้ใจที่สบายๆเนะียดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานจิตที่เป็นผู้รู้ที่ถูกต้องนะมีความสุขมีความเบิกบานในตัวเองถ้าไม่มีความสุข ไม่มีสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพวกเราชอบกลับหัวกลับหางนะงิว่ามีสมาธิแล้วมีความสุขสมาธิเบื้องต้อนเรอกมีความสุขสมาธิละเอียดขึ้นไปเป็นอุเบกขาแต่ถ้าจิตมีความสุขในอารมณ์ันใดจิตก็อยู่กับอารมณ์นั้นมีสมาธิเยวถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขเรากหายใจจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุข แล้วใช้จิตใจที่มีความสุขเนี่ยดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจดูด้วยความรู้สึกแบบนี้เห็นร่างกายนี้นั่งอยู่เหมือนเห็นคนอื่นนั่งอยู่ดูด้วยความรู้สึกแบบนี้ถอนความรู้สึกเป็นเราออกดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเวลามันโกรธขึ้นมาเราก็เห็นเหมือนคนอื่นโกรธเราเป็นแค่คนรู้เป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็น ไม่ใช่เราตัวดอีกต่อไปแล้วเวลาโลกขึ้นมาหรือมีราคาขึ้นมาเห็นเหมือนคนอื่นโลกเห็นเหมือนคนอื่นมีราคะไม่ใช่เราใจเราเพียงแค่คนดูเงันร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ย น, นแปลงเห็นเหมือนคนอื่นเห็นเหมือนจิตใจของคนอื่นเราไม่มีส่วนได้เสียดูไปด้วยใจที่สบายใจไม่มีส่วนได้เสียวันหนึ่งมันมีกําลังพอนะนจะเข้าใจขึ้นมะา คำว่าเข้าใจเนี่ยันอัศจรรย์จริงๆนะเข้าจริงๆนะรวมเข้าที่ใจอันเดียวนี่รู้จักใจลอยไหมมันลอยจริงๆนะลอยหายไปเลยรู้จักใจหายไหมหายจริงๆนะ <c oughs> รู้จักใจดำไหมเป็นดาจริงๆนะ <c oughs> คนโบราณนะคนไทยเก่งมากเลยในเรื่องจิตเรื่องใจหลวงพ่อเคยรวมสับ ที่เกี่ยวกับจิตใจนะได้สามร้อยกว่าคำเจอะมากเลยหลวงพอรวมเองได้สองร้อยกว่ามีโยมคนหนึ่งเขาไปช่วยดวงให้ได้สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าคํำรู้จักเซิงไหมรู้จักไหมเซงเซงกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไหมดีกรีไม่เท่ากันเย็นอะ่ะเย็นในความรู้สึกนะฮะความรู้สึกไม่เหมือนกันอิจฉาเต็นไหม อิจฉาอิจฉาบ่อยไหมอิจฉาบ่อยแสดว่าเก่งเก่งตรงไหนอิจฉาแล้วรู้ว่าอิจฉานะถ้าเมื่อไหร่รู้อย่างที่มันเป็นถือว่าใช้ได้นะไม่ดีก็ได้นะชี้โมโหเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาชาวพิแเ่คนดูสกนะรธทั้งวันเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนั่นดีนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะมีพูดให้เจ้าสอน บางคนนะจิตดีแต่ไม่รู้ว่าดีอันนี้ใช้ไม่ได้นะท่านว่าใช้ไม่ได้จิตดีแล้วรู้ว่าดีนี่ดีเลิศจิตดีแล้วไม่รู้ว่าดีนี่ใช้ไม่ได้บางคนพอนาถูกแล้วไม่ถูกไม่ถูกว่าถูกไม่ถูกว่าเคยเป็นไหมแล้วส่วนมากถูกไม่ถูกก็ไม่ค่อยถูกเยอะถ้าจิตชั่วรู้ว่าชั่วโดยที่ช่ว่าดีนะท่านว่าดี จิตดีรู้ว่าดีนี่ดีเลิศจิตชั่วรู้ว่าชั่วดีจิตดีแล้วไม่รู้ว่าดีใช้ไม่ได้จิตชั่วแล้วไม่รู้ว่าชั่วนี่ชั่วสุดๆเลยนะคือไม่มีทางดีเลยเพราะฉะนั้นจะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ดูไม่ใช่อยู่ว่ามันชั่วหรือมันดีนะอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้นะเพราะนหน้าที่เรารู้บ่อยๆเราไปเจอพระเจ้าถ้าจับดอกว่าเออภาวนาดีคือเรารู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นได้ ดูกายอย่ที่กายเป็นดูใจอย่ที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้สบายใจอีกแล้วรู้สึกไหมใจสว่างใจสบายใจโลกรู้สึกไหมเนีย่ยดูไปลองดูสิเดี๋ยวก็แน่นทําไมแน่นเพราะจงใจดูนะจงใจดูเปนโลกจงใจดูก็จะแน่นแน่นอ่าคนนี้ชอบจงใจดูก็จะแน่นนี่จแน่นอย่างนี้นะแต่วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะเออโดน 6โดนสับมากมากดีขึ้นหน่อยรู้สึกเปล่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานแน่นปึกป๊กๆเลยเออปล่อยแตยังไม่หมดดีดีกว่าเกา่าดีแล้วรู้ว่าดีใช้ได้ของโยบเสื้อแดงเนี้ยเพ่งมากไปแจนเสื้นแน่นมีตู้สึกไหมมันจะอึดอัดมันไม่โปร่งหรอ ดย่างที่มันเป็นนะค่อยๆดูค่อยๆดูดูมันดูขนุนไปใจสบายดูไปอย่างสบายๆดูกายไปอย่างสบายใจดูจิตใจมันทำงานไปอย่างสบายๆฝึกนะยากหรอก7วัน7เดือน7ปีเลยแล้วฝึกเข้าไปเปีไม่นานนะแป๊บเดียวหลวงพ่อเคยเจอครูบาจารย์องท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาล หรือจากท่านก็คุยกับท่านเล่าเรื่องการทาวนายท่านฟังเดี๋ยวใจท่านสลดเลยท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นรุ่นเดียวกันแนละ้วเขพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านไม่ผลแใช่ว่าอย่างนี้นะท่านไม่ได้ทําไม่ได้ทําเไงก็ไม่ได้แต่อีกร้อยชาติก็จะทำใช่ว่าอย่างนี้นะโอ้หลวงพ่อนะักกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยนี่ ทำ ม, มาอย่างดีเลยนะคือยากเก็นแค่ไหนนานแค่ไหนก็สู้ไม่ถอยอะ่ะนีเป็นสิ่งที่ควรทาต้องทำเรื่องอะไรเราต้องจมอยู่ในความทุกข์นี่ตันรอนจมไปเรื่อยๆนะถ้ามีหูมีตาน่ากลัว ว, วัตตะน่ากลัวน่ากลัวมากเลยพยายามถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้นะรักษาสี่ห้า สุดใจให้อยู่กับตัวเองอยู่สบายๆดูกายทํางานเหมือนเห็นคนอื่นทํางานดูใจทํางานเหมือนเห็นใจของคนอื่นดูไปอย่าไม่มีส่วนได้เสียซ้ำแล้วซ้าอีกตัวอย่างนี้แหละไม่นานหรอกก็จะเข้าใจาพราะพระเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงสิธรรมะไม่ได้ไว้ฟุยกันเล่นๆนะพระเจ้าสอนเรามาเพื่อให้เราลงมือปฏิบัติ ท่านบอกทางให้เราแล้วเราต้องเดินด้วยตัวเอง <Yeah. S 1> ไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเองปะระตูวีจีแล้วก็ <Yeah. S 1> วต้องเดินด้วยตัวเองนี่เ่งแดงไปแดงนี้แดงไปอุดับถล่มลงไปจ้องมันให้แน่น <Yeah. S 1> จิตไหลตืดตื <Yeah. S 1> รู้สึกตัวสบายๆรู้สึกไปอย่างผ่อนคลาย <Yeah. S 1> อย่าท้อใจท้อมากไป <Yeah. laughs> ไม่ยากหรอกรู้สึกอย่างที่เป็นนะพอไหวไหมสู้นะโ อ, อ้ไม่สู้ก็โ ง, โง่แล้อไม่รู้จะทำไง <c oughs> เหมือนใส่ไม้บ้านนะใส่จะครอกตายอยู่แล้วอ๋อท้อใจไม่วิ่งออกมาโอ้ครอกไปเจอไม่ใครเขาช่วยได้หรอกดูว่าจมอยู่ในความทุกข์นะรู้ว่าความทุกข์รออยู่เบื้องหน้าต้องสู้เอาทุกคนอนะความทุกข์รอเราอยู่ เป็นไปหมดเลยถึงวันหนึ่งความทุกข์จะฆ่าเราตายไม่มีใครหนีรอดเลยเวลาจะตายนะความทุกข์มันจะเยี่ยมร่างกายนี้แตกสลายเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมไว้ก็หลุดมือไปหมดเลยใครเปลียนของก็เป่นหมดเลยกระขัางร่างกายนี้เอาเปทำอะารไม่ได้เลยดังนั้นเรามีความทุกข์รออยู่เบื้องหน้ามีความสูญเสียรออยู่เบื้องหน้า เราต้องมาฝึกตัวเองให้พร้อมซะก่อนก่อนจะถึงวันที่ต้องทําสงครามแตกหักกับความทุกข์เลยเหมือนเราจะว่ายน้ำนะต้องว่ายให้เป็นก่อนเรือล่ม mm. ไปต่อเรือล่มแล้วไปหัดว่ายน้ําตายแน่ๆเลยทุกวันนี้ต้องภาวนาให้เป็นก่อน mm. ในวันที่ความทุกข์เข้ามาสู่ชีวิตเราเราจะสู้ได้ yeah. <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะได้แต่บอกนะต้องสู้เราเองและ พ <c oughs> อนหนาได้ๆหนึ่งรู้อริยสัจ ร, รู้ปฏิจจสมุปบาทพนะอแจ้งแจ้งในอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทนะพยายาพนจะพัตะนาะในอะไรผลหรอกถอสมวร น, นะเท่มากแต่นี้พวกเราก็รับไม่ไหวแนละ้วเหนื่อย ใครรู้สึกมีความสุขบ้างล้วเมื่อแม้พอเลิกเทศแล้วดีใจเห็นไหเวลาอยู่บ้านอยากมาฟังเทศนะฟังเทศแล้วอยากเลิกนะจริงๆแล้วใจของเราเราบังคับไม่ได้มันมีลิมิตของมันฟังเทศจริงๆอ่ะฟังได้45นาทีมันมีกำลังเท่านั้นนะหรือเวลาเราทำงานอะไรนะที่จดจ่อบงานนั้น หรือเราชิดอะไรนะมีคุณภาพอยู่45นาทีหลังจากนั้นก็ไมมีคุณภาพแนละ้วเอเนถ้าเราทำอะไรสัก45นาที50นาทีเราเบรกชนิดนึ่ง้ามาทำอีกจะดีกว่าเกา่านถะ้าใครมีความจำเป็นจะฟุยเดยลงพ่อว่ามาหลวงพ่อหลวงพอหน้าดีขึ้นแล้วล่ะนะ คือก่อนหน้นห้นหูปฏิบัติภาวนาฝึกภาวนาชิ้นหนงแต่ว่าแต<ค>่ตอนนั้นไม่ถูกหรอ <c oughs> กตมันเป็นถูกแล้วคือมาฟังยูทูบของพ่อถึงทราบว่าอันที่สุดแย็กสมาธิเยไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อแต่ว่าพอมาฟังของพ่อเกเลยฝึกลองที่จะดูหุ้ยแล้วก็มีอยู่คืนมือ น, นอนปวดท้องแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจดูอะไรแต่เห็นว่าไม่ได้เห็นแต่รู้สึกว่าปวด เป็นหนึ่งก้อนที่หลอกมาแล้วก็ตัวก็เป็นอีกหนึ่งก้อนที่ลอแต่ว่าไม่ได้หายปวดนะคะไม่ได้หายปวดหรอกมันมีเหตุต้องปวดมันยังปวดอยู่นะแต่มันไม่คล่องกำลังใจอันนี้คือเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าที่แยกขันแยกขันได้กายก็ส่วนกายนะเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตแยกเราไว้หลังจากนั้นไม่เคยเกิดอย่าอยากให้เกิดถ้าอยากมันไม่เกิดเราฝึกรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อนะมันจะแยก ใช้ได้แล้วล่ะขันแยกเป็นนะที่หลวงพ่อว่าใช้ได้ก็คือขันเล่อนแยกอย่าจงใจให้แยกถ้าเจงใจใแยกจะเป็นตัวรูปหลอมอย่างผู้หญิงบางคนนะเวลามีประจำเตือนนะปวดมากเลยต้องกินยาต้องอะไรนะมหัธภาวนาแนละ้วมันแยกอย่างที่คุณเห็นนะ่ะกายส่วนกายปวดส่วนปวดจิตส่วนจิตไม่ต้องกินยานะ มีกระทั่งคนเป็นมะเร็งแลนะมะเร็งนี่ปวดมากเลยแนละ้วปวดแบบรุนแรงแล้วแต่ว่าเป็นที่ไหนนะบางที่ปวดมากเลยนี่มีรูปศิษย์หลวงพ่อนี่แหละคุณแยกขันได้ไม่ต้องให้หมอฟินหมอเนี่ยทึ่งมากเลยวนะ่าทําไมไม่เป็นอะไรไม่ไม่เจ็บเลยเจ็บแต่มันไม่เดือดร้อนเห็นเห็นเลยกายก็ไม่ได้เจ็บนะใจก็ไม่ได้เจ็บความเจ็บมันอยู่ตางหากไม่ต้องให้หมอฟิม ค่อยๆฝึกนะธรรมะของพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆไอ้นี่ยังแค่เป็นเรื่องทางโลกนะตอนที่มันล้างกิเลสยี่งอัศจรรย์กว่า น, นี้หรืออย่างบางคนขับรถมีอุบัติเหตุพอเกิเดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูเลยนะมันเห็นในร่างกายกําลังหมุนติ้วๆอยู่ในรถเลยนะรถมันหมุนคลิกควอมคลิกหงายใจมันเป็นคนดูออกมาเห็นเลยหัวกําลังจะโขกตรงนี้แล้วหลบซะหน่อยหนึ่ง แทนที่จะคอหักตายนะน้าถลอกไปหน่อยแล้วเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะเนอย่างนี้พเราฝึกเข้าใจมันดี ด, ดตัวออกมาผางออกมาเลยหลวงพ่อพุธเคยเล่าตอนสมัยนะั้นหลวงพ่อยังทาให้รพระเป็นหลวงพ่อพุธเคยเล่าว่าท่านเคยนั่งรถไแล้วรถคว่ำรถตกถนนตกลงไปคล้ายๆเหวแต่ใส่ไม่ชันมากค่อยๆลงไป ท่านอพอรถตกถนนนะใจท่านเด่นดวงขึ้นมาเลยนะเห็นในรถกำลังพุ่งเข้าไปใส่ต้นไม้ต้นนี้พอท่านเห็นนี่จิตท่านตั้งมันนะรถมันหลบต้นไม้นะมันหลบต้นนี้ไปเจออีกต้นหนึงมันหลบอีกนะหลบไปหลบมาแล้วท่านบอกไอ้ต้นสุดท้ายนี่มันเหนื่อยเต็มทีแล้วไ <c oughs> ม่ได้ชนลนลยหลบไม่ทันเลยแล้วตามมาหาบัวตอนที่ท่านรถปั้มท่านบอกมันจะคลิกท่าไหนนะี่รู้สึกหมดเลยนี่พวกเราฝึกไปนะ มีใช้ได้ส า, ารพัดเลยเวลามีเรื่องตกใจในคนก็ตกใจแทบตายใจเราดิดผ่าออกมาเป็นคนดูเลยหรือเวลาจะตายจริงๆนะกายกับใจมันแย่หมดแต่ร่างกายมันตายใจเป็นคนดูเลยมีคนทําได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ธรรมะของพุทธเจ้าอาัจจริงจริงๆยโยมยายปฏิบัติหลายครั้งแต่เป็นคนละแวงค่ะ ใจมันฟุ้งสั้นมากไปนะเระะื้องเขหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปได้ๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปทําใจสบา ย, บายให้ใจมันฟุง้งคือสําลักหลว่อถ้าถ้าพองหนอยุบหนョก็จะพากจากสำลักแล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งนั้นได้บอกว่าคือไอก็ได้สําลักก็ได้แต่โยงก็บอกในโยงก็รู้กําหนดรู้อยู่ที่หลังโยมก็ไม่ได้ยุบหนョพองหนอ ก็ส่วนมนตบทของพระพุทธรูก็ได้โดยยึดหน้าพุทธลูกคือมองจับให้มีที่ยึดใจคือเรามีเครื่องอยู่ของจิตนะีแต่ไม่ใช่ที่ยึดใจมันจะต่างกันถ้าที่ยึดใจมันเหมือนเราเป็นคุกขังใจไม่ให้ใจดีไปไหนใจยอึดอัดนะแต่ถ้ามันเป็นบ้านบ้านกับคุกไม่เหมือนกันไหมเวลาอยู่บ้านกับอยู่คุกความรู้สึกต้องไม่เหมือนกัน งั้นเราจะต้องมีบ้านอยู่บ้านเนี่ยภาษาแขก่วิหารธรรมมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตแต่ไม่ได้บังคับจิตว่าต้องอยู่ที่นี่ตลอดนะเช่นเรามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตหนีไปเราก็รู้ถันว่าจิตนีไม่บังคับนะขอโยมบังคับแรงไปอินะัเนี่ยเพ่งเอาเพ่งเง า, เงเงารู้สึกไหม แต่ก็ดีก็สำลักหลวงพ่อพราอสำลักแรงมากหลวงพ่อน่ากลัวเพราะว่าใช่สำลักอาจจะตายได้คือหลวงพ่อพอหมายงโยมถ้าไม่ไม่เพ่งโยมจะต้องโดนสำลักคือสำลักเนี่ยเพราะเราจงใจไปบังคับจิตมากไปกําหนดเยอะไปจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้สอนให้กําหนดเลยนะนี่คนไทยเนี่ยพอไปแปลภาษาบาลีมานะเติมคาว่ากําหนดลงไป เราไปดูบาดีจริงๆตรงไหนว่าให้กําหนดตรงไปเลยกําหนดเนี่ยนะมมาจากคำว่ากฎนะเป็นคาแสงมันจาคะคำว่ากฎไว้กดเอาไว้กด เ, เอาไว้ไม่ให้หนีไปที่อื่นถ้ากดเมื่อไหร่ใจกเครียดสิเคียดมากๆทนไม่ไหวสำลักเลยออกมาทางกายเลยบุุงพ่อบางทีเบาไปเลยนะบางทีเอเป็นเรื่องของสมถามนต์เลยเบากำหนดเมื่อไหร่เป็นสมถามเมื่อนั้นเพราะอะไร มันไม่ใช่วิปัสนากำหนดอ่ะกำหนดเนี่ยมันเป็นการคิดซ้ำเข้าไปโกรธว่าโกรธนอโกรธนอคิดเรื่องคำว่าโกรธนะบริกรรมอ่ะกลายเป็นคำบริกรรมไปแล้วแต่ถ้าโกรธกหัดใหม่ๆบริกรรมกำกับตัวเองเตือนตัวเองว่านี่โกรธแล้วได้อย่นีจะใช้คำว่าโกรธนอแต่คอยรู้ทันสภาวะความโกรธก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอพอนาชํานาญแล้วจะเป็นบริกรรมเสียเวลา หลวงพ่อยงควรจะทําะไรดูอาการที่เป็นไปกวาดบ้านบาแล้วทันที่วัดก็ฝากที่บ้านนั่นแหละกวาดไปเรื่อยกวาดเช้ายันเย็นสาธุสาธุเอาแล้วสาธุ้าโอเคไมไม่ได้บอกเล่นๆนะเพราะว่าโยมาติดเพ่งงั้นไปทางานซะเสื่อนไปเสื่อนมาแล้วมันจะเห็นร่างกายทำงานแต่ดูไปสบายๆเหมือนเห็นในเยคนนี้แกทางานไม่ใช่เราทางานนะ ตอนหลวงพเป็นนักศึกษานะไปเป็นบวชฤดูร้อนที่แรกจะไปบวชส่วนโมกนี่ก็ไปอยู่ส่วนโมก พ, พ่อแม่ไม่ได้เห็นเลยอยากให้พ่อแม่ได้เห็นได้บุญอะไรงนี้เลยไปบวชกับหลวงพ่อปัญญาวชนประธานนี่ในวัดชนประธานนะมีพระอาวุโสโยูวันๆ น, น, นะให้กวาดวัดตลอดเลยมีไม่กวาดสองอันเหรกวาดหัววัดท้ายวัดกวาดไปกวาดมานะ ส่วนพวกเราค้าบวทใหม่ถึงเวลาเราไปนั่งสมาธิข้างหลังวัดกันเีกอาจารย์สอนนั่งสมาธิกันนี้วันหนึ่งเราก็สงสารโถหลวงพ่อกวาดทั้งวันเลยเดี๋ยวผมจะมาช่วยกวาดเราไปนั่งสมาธิกันดีกว่าส่วนท่านอย่างนี้นะนี่โ ง, ง่โง่โงเด็กวัวเลยไม่รู้เลยว่าท่านภาวนา น, นะที่ว่าต้องไปนั่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนานท่านก็ไม่ว่าเลยนะท่านก็ยิ้มขำๆนะ ท่านบอคุณบวชสันส้นๆคุณไปภาวนาเดี๋ยวผมกวาดวัดเองโห <c oughs> <im ple ks> มันนึกตอนนี้นีน่นะท่านภาวนาเนี <c oughs> ่ยไปกวาด <c oughs> วัดเท่านะจ้าคืออะไรครูงพ่อโยมชอบทำงานเยอะๆนะโยมทำแล้ว ค, ค อ, ยอยดูคอยใจเราด้วยดูชอบว่าก็บอกว่าธรรมยมชอบทำอะไรที่มันเยอะๆท่ต้องหวังเนี่ยแหะคอยรู้ทัๆๆนใจด้วยมันรูๆๆ้สึกกูแน่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เกือบจหลวงพ่อแต่ไม่เต็มร้อยหรอกว่าเราได้กับคอื่นไม่ใช่ใชแต่ยาทาให้มันมันมันมีนมกิดจะลักษณะอไ้แะรู้ทันไปนรู้ทันทงานไปรู้ทันไปใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันไปนอเออมันถึงจะใช้ได้นะต้องกาหนดหรอกต้องกวาดทั้งซ้ายแล้วหนอกวาดทั้งขวาแ้วต้องหรอกนะสาธุหลวงพอ่อราจารยไม่ได้สอนเป็นอุบายเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ อย่าง <ไป S 1> พวกเราบางคนนะโกรธเลยไม่รู้เลยใชนะานเจเลยอุบายหรอกโกรธที่มาบริกรรมแลนะ้วนัโกรธเนาะโกรธเนาะเป็นการเตือนให้ตัวเองรู้ว่ากําลังโกรธแค่นะไม่ใช่เพื่อให้หายโกรธนะถ้าทําเพื่อให้หายโกรธ็นสมบัถิทันทีเลยการนมัสการใช่ค่ะเยิมดู youtube ของหลวงพ่อแล้วก็ทาตา ม, มดูกายดูแม่ว่าใจมันเปลี่ยนใช่ค่ะนะเพรานับเป็นแล้วล่ะ ขันมันแยกเจอกันสบายแล้วทีนี้เราก็เห็นใจมันทํางานเห็นใจมันทํางานเจอกันเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองจอกันดูไปด้วยเจนวันหนึ่งมันยอมนะมันยอมจริงๆเลยเพราะตัวเราไม่มีหรอกเพราะภานาอย่างนั้นถึงังเป็นจอไม่ทราว่าคำสูขแล้วตอบให้แล้วโยมติดตัวแช่ในอารมณ์ประคองอารมณ์นะคะน้อยลงแล้วล่ะ จก่อนแช่แดงกว่านี้แช่จนเครียดกลายออกแนละ้ว อ, อย่างเหลือนิดหน่อยเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเพ่งเข้าไปละถ้าติดสมาธินะกระดุกกระดิกไว้อย่าไปดูจิตถ้าทำสมาธิมากดูจิตจะยิ่งถลำเข้าไปเพราะจิตตามทุตัศน์นาเนี่ยหมอกับพวกพวกอะไรวิตัศนีย์ กายยาหรืปรัสนาเหมอะกับพวกสมถายานิสพวกติดสมถะดูกายาแล้วแฟนยโยมเขาป่วยอะค่ะตอ น, น, นแรกๆก็เป็นทุกข์กับเขาพอนนานๆไปเอ้เรามันเฉยหรือว่ามันชาเฉยๆที่ใช่หรอกเราภาวนาเป็นนะเขาป่วยเราก็ดูแลตามหน้าที่นะเขาตายก็เรื่องธรรมดาอะไรในชีวิตเรามีแต่ของธรรมดาไปหมดเลยที่เรามีความทุกข์มากก็เรายอมรับสิ่งที่กํกลาลังปรากฏขึ้นไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่าตถุอย่างที่กําลังปรากฏขึ้นมานี่เป็นของธรรมดาไม่ถูกแบบที่พรานาใช้ได้นะไอ้ที่เพ่งไม่เพ่งมากเท่าไหร่หรอกขาดๆหรือว่ามันประคองแต่ว่ามันไม่สว่างโล่งแต่ยาวมันยาวอีกนิดนึงเดินว่าหยขอบเขยนเนี่ยโยไม่ได้ใจว่าที่โยมเคยเห็นนี้มันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นอากาศาเป็นความว่างนะไม่ใช่มหาศีลตา จิตเองมีความมีเจตอเึ่งงนอย่างเราพูดถึงสุญญตาสุญญตาเราไม่มีหรอกเองหลวงพอพุทธทาสบอกทำงานทุกชิ่นี้ด้วยจิตว่างจิตไม่ว่างในตอนเป็นจริงจิตปรงแต่งตลอดอแต่ว่าถ้าภาวนาจนเป็นพระอรหันต์นี่ทำอะไรก็ว่างอของเราอย่างไม่ว่างเราก็รู้ว่าไม่ว่าง่าเอาว่างเนะ พ่อนาอย่าให้จิตติดว่า ง, า, า, วางอย่าให้จิตติดเฉยหลวงปู่มั่นก็สอนระวังอย่าให้จิตติดเฉยมีบางคนได้ยินหลวงปู่ดุลสอนนะว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดวามปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างได้ยินอย่างนี้ไนมะ่ว่าจะต้องทำแบบนี้อันั้นเป็นผลจะมีพระไปถามหลวงปู่ ว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะที่ท่าน้นทุกแล้วท่านมีเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันบงองอยู่กับเมตตาพรหมวิหารบงองคเป็นเมตตาอภัญญานุปุรุลอยู่กับอะไรสามนุปุบุนอยู่กับรู้แต่ว่ารู้เป็นยังไงว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดปริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้เป็นผลเราต้องทําเหตุทําเหตุก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละ รู้ได้จิตตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปถึงมันจุดที่มันพอแล้วมันจะว่างเองใน้นว่างที่เจอมันไม่ใช่นะในนั้นว่างที่คู่กับวุ่นรู้จักวุ่นไหมว่างตัวนั้นเป็นว่างที่คู่กับวุ่นไม่ใช่ของสิ่งเอาไม่ชีว่างนบะเป็นจกง่วงนอนมากเวลาว่างอยู่ว่างไม่ได้เลยจะหลับอย่างเดียวนะครับ เวลาใจมันเดินปัญญาไปถึงจุดหนึ่งนะอย่างนี้มันเดินปัญญาแล้วขันเขินมันแยกหมดแล้มันเดินปัญญาไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเบื่อเออนัจิตมันเบื่อเพราะมันเบื่อนี่มันจะหลบเพราะมันผ่านเพาผ่านไม่ได้นะมันจะหลบหลบแล้วจะสึมจะจะหลับหลงเท่าก็เคยเป็นเมื่อปีสองหกเมื่อปีสองพัน้ายี่บหเป็นเตือนเลย นั่งสมาธินะขนาดนั่งมาแต่เด็ก น, ะนั่งหลับอ่ะเอาใหม่นั่งธรรมดามันหลับนั่งขัดสมาธิเพชรนะเจ็บคับแย่เลยไม่ยังหลับเลยเดินจงกรมะมันหลับเก่งนั่งเดินจงกรมเดินชนฝาเลย <c oughs> เ อ, อ๋อจิตมันจะหลับรูปเดียวเลยจิตเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ไปเจอหลวงปู่สินห์ขึ้นไปกราบหลวงปู่สิงห์วันที่หสิงหาสองห กลับท่านบอกรลวงปู่ผมภานามันเม่อะไรมัจะหลับตลอดหลวปู่บอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้ปฏิบัติไปนะจะได้ของดีนะอะย่างนี้เดี๋ยงนี้ก็ห่างปฏิบัติมาคับปฏิบัต่ทำงานมากทางานแตกพอทํางานเสียเวลาหน้าก็จะหลับเน่ยเออถ้าทํางานมากมันเหนื่อยก็หลับเลยที่ไม่ชีพอนนาใช้ได้แล้วนะ ไม่ชื้ได้อะไรเงยความรู้สึกจะเอาอะไรอ่ะความรู้สึกของใจมันไม่มีปัญญารู้ไหมว่าภาวนาเนี่ยนะไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปได้แต่ความเข้าใจเท่านี้เพราะฉะนนที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะสิ่งที่ได้นะคือความเข้าใจเท่านี้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามขันหน้าว่ามันเป็นตัวทุกข์ได้เท่านี้เองที่เหลือจิตมันวางเองเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไป ไม่ใช่ว่าได้มรรคผลมาแนละ้วเราเพครอบครองมรรคผลนิพพานไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้มาไม่ได้เสียอะไรไปเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วจะเสียได้ยังไง ไ, ไม่ใช่ถือไหมอย่างนี้เ<ร>ือไ ป, ปอย่างนั้นเราไเสียงดังตอนเขาเปิดปิดบตปอย่างนี้ยบาป<า>เพราะว่าเวลานาาั่งสมาธิบางทีครัวก็อยู่ใกล้นั่งห้องสมาธิเราก็จะไปทำอะไรก่อนจะอาหารเช้าอย่างนี้ ก็ไม่ซีเรียสกัวบาปแก้ไขไดยังไงฮะแก้ไม่ได้หรอกต้องย้ายห้องคัวเอะหลวง่อต้องย้งายห้องครัวผ่านไปแล้วเนี่หลวงพ่อที่เราทำไปแล้วเราจะแก้แ ไ, ไ, ได้ที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้แล้เป็นอดีตแม้เราอย่า บ, บาปตรงนั้นแล้วเราจะยังจะให้เล่นไม่ต้องบาปนยังแวก็อย่าทำอีกอย่างครูบาอจารย์นะหลวงครูแหวนตอนนั้นท่านยังมีกิเลสอยู่ หอยู่กับหลวงภู่ขาวแล้ท่านขัดใจอะไรขึ้นมานะว่าหลวงปูกขาวไม่ทำเสียงดังตอนท่านนั่งสมาธิวันหนึง่งหลวงภูขาวเดินจนะกรมแล้วหลวงปูแหวนถือไม้กวาดไปเลยไปที่ทางจงกรมนั่นเลยนะไล่กวาดขาหลวงปู่ขาวไปเลยกรรมที่ทำแล้วนะแกไม่ได้ต้องรับ เ, เนมานน <laughs> ถ้าทาตัวตั้งแต่ดึกนะมันก็น่าหลับหรอกแต่แม่ชีทำนานดีนะจิตเลยใช้ได้เลยรู้สึกก่แใจมันตื่นโปรงขึ้นมาแล้วขอถามหลงพ่อชิ้นสั้นนะคะอาจารย์ก็คือว่ามันต่างตรงไหนระหว่างรู้กับคิดว่ารู้ครับรู้ก็คือรู้เนละองหยิกตัวเองอยู่ไม่ต้องแรงนะเจ็บไหมเจ็บแต่ชีิมาเจ็บ ก็ไม่เหมือนกันนะมันต้องคิดแม้ว่าเจ็บมันไม่ต้องคิดหรอกแต่อันนี้มันรู้เลยคนะ่ะแต่แต่ว่าดูจิตแล้วเราจะรู้ยังไงว่าอันนี้ดูดถ้าความรู้สึกเกิดเรารู้ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นอันนี้รู้เรียบร้อยแล้วหลัาจากนั้นน่ะใจมันเกิดสงสัยให้ไอ้ที่รู้ได้ถูกหรือไม่ถูกให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่มละขณะกับไอ้ตอนที่รู้อันแรกมนคนลเวลาแล ไอ้ตอนแรกนะ่ะรู้อันตอนหลังเนี่ยสงสัยคนละสภาวะกันพอรู้ตัวเอ๊ ะ, อะสงสัยอยู่อืแค่นั้นพอลนะเอะสงสัยก็รู้ว่าสงสัยแค่แค่นั้นเองสงสัยก็เป็นสภาวะนหนึ่งแล้วมันเหมือนจะคุยกับตัวเองหรือเปล่าคะเพราะว่าบางทีเหมือนกับแบบถ้าโกรธแบบเฮ้กดอยู่มันอดภาคไม่ได้แรกๆนะกว่าจะเลิกภาคเป็นปีๆเลยนะพอานานกันหลายปีเลยแล้วเลิกภาค งั้นไอยเจียงที่มาคอยภาคให้มันนะไอ้นั่นก็หนอหน อ, หนอนภาคหนักขึ้นอีกเริ่มเมื่อไหร่จะเลิกพูดเ็ารู้จักเจ้าคุณนอหมคุณนอพูดดีนะของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงไม่พูดเลยรู้แท้ๆไม่ต้องมาบรรยายเลยเอ้นี่รู้หรือไม่รู้ก็กําลังสงสัยแหละคุณค่ะหมดแล้วหร ไม่มีใครถามถามเองครับอืมยังมีหน้ามาด้วยไมมีใครถาจะต่อยยังไงดีครับหลวงพ่อจะต่ออะไรล่ะก็ประคองอยู่อย่างนี้ทั้งวันไหมปฏิเตียธช่วงนี้เพ่งเยอะจะเพ่งถ้าเพ่งนะพ่อโลกอยากอยากดีครับอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีก็จะเป็นเพ่งถ้ารู้ทันใจที่อยากมันก็เลิกเพ่งครับ ครั้นีแ้แดงเพ่งเราวอึดอัดนะใช่แต่ครั้นี้เราเราใช้จิตไปดูเวทนาที่เกิดจากการเพ่งได้นะครับมันเด็นเพ่งซะแล้วยิ่งจงใจหนักกว่าเขาอยู่ เ, เวลาที่จะดูเวทนาเนี่ยก็คือเวทนาเกิดขึ้นแล้วจิตไปรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาใช่แต่ถ้าเจตนาจะดูเวทนาก็คือเพ่งนั่นหนหะครับเจตนาตัวนี้ไม่ใช่เจตนาธรรมดานะมจริงๆชื่อเต็มยศคือโลภะเจตนาเจตนาที่เจือด้วยโลภรู้สึกไหม เวลาปฏิบัติเนี่ยมันเจือโลภะเจตนาลงไปโลภะเจตนานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมของจิตจิตจะเกิดการกระทํากรรมรู้สึกไหมเราบังคับมันจะเกิดการดิ้นรนยังร่นอย่างนี้งั้นตัวโลภะเจตนาเนี่ยเรียกมโนสัญญาเจตนาเจตนาทางใจเป็นอาหารแปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมของจิตเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนตอนฟังหลวงพ่อเนี่ย จิตมันหลุดออกมาบ้างออืมเแต่ก็มันก็กลับไปอีกมันเคยชินใช่ธรรมชาติของจิตไหลไปตามความเคยชินเป็นกฎนะแล้วเคยชินจะเพ่งมันก็เพ่งเลยห้ามมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาครับเราก็รู้ทันต้นต่อของมันต้นต่อมันคือโลกถ้ารู้ทันใจที่โลกรู้ทันความโลกไอ้โลภะเจตนาก็ไม่เกิดอตอนนี้มันหายไปแล้วครับมันกลับมาอีกแล้ว เออมักงก็ไวแล้วแต่เมื่อกี้ตอนฟังของพ่อ น, นี่มันหลุดไปนิดหนึ่งหลุดเพ่าะอะไรเพรไม่ได้จงใจครับขณะนั้นตั้งใจฟังครับไม่ได้ตั้งใจเพ่งมันหลุดเห็นไหมการเพ่งก็เป็นขณะขณะนะครับง่ายง่ายง่ายมากเลยค่อยๆฝึกไปครับหลวไป ค, ไคิดแล้วเห็นไหมเห็นแรงดันขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเออแค่คำว่าจะพูดเท่นั้นขยับหยักยังไใช่ครับแด้รู้ทันแล้วนะเข้บไป ที่อมันนี่คนภาหนาก็เยอะนะใช้ได้เชียละหน้าตาผ่องใสเดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางหมดละนะนี่นไม่มีอ้าวยังหลงรถคนหนึ่งใครจิตออกนอกบ้างไหมหานไปดูเขาอยากรู้เหมือนเรมจัดอยากใช่ไหม อยากดูหันไปดูลืมตัวเองนรมัส ก, การเจ้าค่ะคือปฏิบัติไปบางครั้งมันก็หนักแล้วก็เพ่งแล้วก็เกร่งเจ้าค่ะต้องแก้อย่างไรเจ้าค่ะแก้ไม่ได้หรอกมันหนักก็รู้ว่าหนักนะอยากหายรู้ว่าอยากรู้โลกปัจจุบันไปแด้มันเพ่งเพราะว่ามันอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็ น, อ ย, กกนอยากได้ ถ้ารู้ทันใจที่อยากมันก็เลิกเพงเ่งตัวเองถ้าเพ่งแล้วมันกหนักแหละมันมีกิเลสมีกรรมมีบิบากกิเลสก็คืออยากดีเกิดการกระทํากรรมคือเพง่งเกิดวิบาก ค, คือแน่นเพราะนั้นแน่นแก่ไม่ได้แน่นเป็นผลแกต้องแก้ที่เหตุเหตุคือกิเลสเพราะงั้นรู้ทันใจที่อยากภาวนารู้ทันใจที่อยากความอยากดับการเพ่งไม่มีเมื่อการเพ่งไม่มีความแน่นก็ไม่เกิด ส่วนที่แน่งใจแล้วต้องรับไปเพราะว่าเป็นผลกรรมจากการเพ่งเคยได้ยินไหมใจวัดใจวัดตะกิเลสกรรมวิบากหมุนอย่างนี้ทั้งวันเลยมีกิเลสก็เกิดการกระทํากรรมมีกรรมแล้วก็เกิดผลของการกระทํากรรมอยากปฏิบัติเกิดการเพ่งเพ่งเรื่การกระทํากรรมผลจากการเพ่งตัววิบากคือแน่นเป็นทุกข์ พอเป็นทุกข์ก็เกิดกิเลสตัวใหม่อยากหายอยากหายก็เกิดการกระทํากรรมหาทางแก้ยิ่งหาทางแก้ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยมันจะหมุนถ้ารู้ทันที่กิเลสตัดตรงที่กิเลสเนี้ยไม่ยากหรอกง่ายแต่ต้องสู้นะะกว่าจะง่ายก็ยากเหมือนกัน <c oughs> อา้าไม่มีแล้วหลวพ่อจะได้ไป <c oughs> เดี๋ยวคู่นี้จะกลับเมืองไทยแล้วโยมเคยไปกราบหลวงพ่อที่เมืองไทยนะเจ้าค่ะและหลวงพ่อก็บอกว่าจิตโยมติดอยู่ที่คอขวดเพราะว่าปฏิบัติสมถะมานานตอนนี้อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ายยศรู้สึกไหมว่ามันดีกว่าเต่ารู้สึกจเจ้าค่ะแล้วจะถามทําไมย็งต้รู้ต่อไปใช่ไหมค่ะทำถูกแล้วเนี่ยคลออกแล้วแต่ตอนนี้มาคุยกับหลวงพ่อเลยเข่งใช่ได้ ให้รู้ใหดีต่อจนถุกแล้วละ่ะจำถูกก็คือไม่ได้ทําอะไรแต่รู้ว่าอย่างที่มันเป็นนั่นแหละถูกอีคําถามได้ไหมเจ้าคะาว่ามาอยากรู้อยากทราบว่าความกลัวนี่มันเกิดจากอะไรเจ้าคะความกลัวเป็นโทสะเจ้าคะมันก็ต้องคิดก่อนถึงจะกลัวเช่นกลัวไม่กล้าถามกลัวว่านู่นนี่นั่นจะเกิดขึ้นอะไรเจ้าคะ มันมาจากคิดเท่านั้นแหละแต่เราห้ามความคิดไม่ได้ควอมกลัวเป็นกิเลสตระ ก, กูลโทสะดังนนะพอเราคิดเป็นอย่างนี้ใจก็กลัวถ้าไม่คิดไม่กลัวนะอย่าสงสช่นเราเดินไปที่มืดๆเราไม่คิดเรื่องผีเราไม่กลัวผีเลยพอเราคิดถึงผีปุ๊บผีอยู่ทุกหนทุกแห่งอนละ้วนะกลัวมันก็มาจากคิดไงแล้วส่วนมากที่กลัวหลวงพ่อเนี่ยกลัวอะไรรู้ไหม ่าถูกเปิดโปงใช้ป่ะกลัวมากเลยไม่เปิดโปงใครของนะเข้าใจหรือผู้หญิงไงคิดทะลึ่งมากกว่าผู้ชายนะแปลกเว้ยนมัสการค่ะยมอยากทราบว่าทำยังไงคะจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นทุกษ ไม่เห็นโทษนะก็ปล่อยไม่ได้หรอกต้องเห็นทุกข์ถึงจะปล่อยได้ก็มีทุกข์อยู่บ้างค่ะทุกข์อย่างนี้ยังไม่ใช่ตัวทุกข์ยังไม่ใช่ทุกข์แท้เป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นองอย่างความแก่เนี่ยเป็นอาการปรากฏของทางกายทุกข์ของกายความเจ็บไข้ความตายเป็นอาการปรากฏของทุกข์ขึ้อของกายนะเรายังไม่ได้เห็นตัวทุกข์แท้เราแค่เห็นอาการของทุกข์ สังเกตไหมใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกนะให้สอนให้รู้ทุกตัวที่ให้ละคือความอยากเรากับอยากละทุกเนเราไม่ได้รู้ทุกแล้วก็ละความอยากกลายเป็นว่าอยากจะละทุกเพราะเราทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยไม่พ้นสักี เรนนิจใจกล้าๆหนะ่อยทุกก็ทุกสิวะต้ออย่างนี้นะเอเราดูดูซิใจจะทุกนานแค่ไหนดูไปนี้มันก็ไม่เทื่องเหมือนกันเลยใจกล้าๆนะคุณค่ะจากนักการค่ะหลวงพ่อที่จะถามนี่คือมันจะแปลกกับคนอื่นตรงที่ว่ามันโง่แล้วมันฉลาดมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อดีต ภาวนานะถูบอาจารย์สอนนะภาวนาโงโง่กดีนะภาวนาฉลาดมากไม่ดีหรอกคิดมากไม่ใช่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรวธเป็นไหมคะโกวธเป็นไหมโกรก็เป็นฮะแต่ว่าก็ไม่คอยกรธเท่าเฉยอย่างเดียวเหรอใชว่าเฉยอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก็ไม่ก็ไม่เฉยจักสุขหมมีสุขหมมีทุกไหม มันมันจะเฉยๆมากกว่าสุขก็เลยที่เราพ่อบอกว่า<อ> <นะ S 1> มันจะติดเฉย <laughs> <c oughs> ที่แรกเราปฏิเสธไม่ติดหรอก <c oughs> ไม่เฉยจิตมันติดเฉยนะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มันเฉยเราดูไปนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยก็ไม่เที่ยงอัดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆภาวนาแค่นี้ก็พอละกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช้มากหรอกที่พระเจ้าสอนธรรมมาไว้เยอะนะเพราะท่านสอนคนจํำนวนมาก สําหรับคนคนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเลยโยมไปคอยดูสุขก็ชั่วคร้าวทุกข์ก็ชั่วคร้าวเฉยก็ชั่วคร้าวดูไปเรื่อยๆดูแค่นี้จะโยมอยากจะรู้เหมือนคนอื่นเขาว่าไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องรู้เหมือนคนอื่นนะท่านโยมท่านใครท่างมนางนานกี่แล้วที่นั่งมายมไม่รู้ เ, เลยเลอถ้าโยมนั่งก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่โยมไยรู้ความรู้สึกของตัวเองนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้โยมอยากจะ รู้ตรงที่ว่าเวลาป่วยแล้วต่อไปคนเรามันก็ต้องป่วยต้องเจ็บใช่ไหมโยมอยากไดแยกหรือคนอื่นเท่านั้นว่าอันนี้มันเกี่ยวกัทําอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละสุขก็รู้ทุกก็รู้นะเฉยก็รู้เดี๋ยวมันแยกเองตรงนี้แหละตรงเป้าเลยล่ะไม่ใช่เห็นเลยสุขก็ไม่เกี่ยวกับเรานะทุกก็ไม่เกี่ยวนะมันแยกหมดอ่ะดูได้ๆนะมันแยกที่จริงอะโยมพอนาใช้ได้นะ ใครบอกว่าไม่แยกอ่ะที่เราสังเจนไหมใจเราเดี๋ยวนี้แน่แต่ก่อนไม่เหมือนกันดืออกไห ม, มันอาจจะเป็นที่ใบมากกว่าไม่ใช่านาน ไ, ไม่ใช่อ่ะคนแก่ขนาดไหนนกะ็ยิ่งไม่ทอนาภนาะนาผิดก็ยิ่งแย่นะของโยมรู้สึกไหมว่อผงสั เออไม่รู้อะไรสักอย่างดีดีแล้วไม่รู้ว่าดีเออไม่เป็นไรนะต่อไปนี้สุภกรู้ทุกกรู้เฉยก็รู้เอาสามตัวนี้แค่นี้พอแล้วเชื่อสิเวลาหลวงพ่อบอกให้ทำกรรมฐานอะไรนะทาไปเถอะใช่สักพักเดียวหะเข้าใจที่หลวงพ่อสอนแล้วเข้าใจอันอื่นด้วยน้ำมัสตาคได้ ยวมอยากถามว่าจิตกระใจมันวงเดียวนอันเดียวกันแหละจิตกระใจจิตอันใดกัใจอันนั้นะฮะยมรแ่นี้รู้แค่นยังไม่มีประโยชน์อะไรโลภุเทศเคยได้ชื่อไหโลภเทศท่านสอนร่จิตกระใจให้โดยตรงเลยท่านบอกจิตอันใดใจว่านั้นแหละอันเดียวกันแต่มันทำหน้าที่ต่างกัน จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาที่มันหลงไปใจก็หายไปก็หลงไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วตัวรู้ก็เกิดขึ้นมาถ้าเรียกว่าใจอันนี้สัมมวนของหลกูเทนออกถ้าสัมมวลทางอาพิธรรมก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่รวมความก็คือจิตกับใจว่าอันเดียวกันทำงานคนละอย่างครับน่นแล้วอย่าว่าโยมปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วพ่อดูยินมากเป็นไงนะโยกปฏิบัติอะไรอ่ะภานาไงเล่าไปซิภานาไงพุทโธค่ะพุทโธก็ได้นะแต่พุทโธแล้วคอรู้ทันจิตเลยพุทโธพุทโธไปจิตมีความสุขรู้ทันพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซานรู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตเนี่าไปบังคับจิตให้สงบไปหัดต่อไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตไป หลวงตามหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะว่าท่านพุโทโธตลอดเลยตั้งแต่ต้นทางจนหยันสุดท้ายเลย่หมท่านไม่จริงพุโทโธเลยแต่ว่าพุโทโธให้เป็นให้พุโทโธเป็นลกแก้วลกขุนทองพุโทพโธแล้วููท่านจิตไปพอสมควรแล้วนะ